สมมาดิธีมมาสังัสมมาวาจาสมมามันโอสมมาอาจีโอสมมา ฉะนั้นมาในวันนี้ก็ต้องการจะขับเน้นให้เราท่านทั้งหลายได้เอาไปไข้ครวรแล้วไปขัดเกลากันได้จริงๆขับเน้นตั้งแต่เรื่องอะไรตั้งแต่เรื่องทานตั้งแต่เรื่องทานให้เข้าใจศีลให้เข้าใจและภาวนาให้เข้าใจไม่ใช่ขับเน้นในการบอกกล่าวอย่างเดียวจะให้กระทํากันด้วย ฉะนั้นก็คือจะให้กระทากันในชั้นของทานศีลและภาวนาเนี่ยเองได้หลักการตัวนี้ยถ้าพูดอย่างนี้หลายๆท่านก็บอกว่าเราให้ทานมาทั้งชีวิตแต่พระมาให้ปฏิบัติในเรื่องทานใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องน่าคิดไหมหรือพระท่านต้องมองเห็นจุดบกพร่องในทานกุศลแน่นอนศีลกุศลแน่นอนและภาวนากุศลแน่นอน ถ้าพูดอย่างนี้หลายท่านว่าเอ้าแล้วที่ต้องการจะนั่งหลับตาปฏิบัติเลยเนี่ยจะทำยังไงดีเราไม่ได้ไปขัดตรงนั้นเลยเนะเราจะทำให้มีการสมดุลและปรับพื้นฐานให้มันได้แล้วเราท่านทั้งหลายจะได้มั่นคงที่ฐานล่างทีนี้ตรงนั้นก็วางหลักตรงนี้ไว้คร่าวๆส่วนอีกมุมหนึ่งที่กล่าวก็ไว้ก็คือว่าอยากให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติร่รวมกัน ในชั้นคำสอนของภาษาสดาในหลักการอยู่ร่วมกันเพื่อจะทำให้กุศลนั้นเกิดความเจริญเพราะตรงนี้สำคัญมากๆเหตุผลแต่ละคณะที่ไปอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้การปฏิบัติร่วมกันเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะผลักดันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเขาเรียกขาดหลักสารานิยธรรมหกประการเนี่ยนะทีนี้ก็มาทำความเข้าใจว่าควรแก่การระลึกถึง และก็ไม่พึงจะลืมเลือนแม้ล่วงกาลนานๆเขาเรียกว่าหลักของสาลานิยธรรมเนี่ยประการนี้ภาษาสดาตรัสไว้นะธรรมที่ทำให้ระลึกถึงการทาที่เป็นเหตุให้สามคัคคีกันแล้วก็ธรรมที่เป็นเหตุแห่งการที่จักเจริญในวธรรมคำสอนของภาษาสดาเนี่ยอันดับแรกเขาเรียกว่าเมตตากายกรรมนี่เป็นหลักปฏิบัติร่วมกันนะ ตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจันท ร, ร์ทั้งต่อหน้าและรับหลังช่วยเหลือกิจทุลาของผู้ร่วมหมู่คณะด้วยความเต็มใจแสดงกริยาอาการที่สุภาพนี่นะเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและรับหลังอันนี้เขาเราียกมีเมตตาต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลังถ้าถามถึงเมตตาเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยถ้าพูดถึงเมตตากายกรรมเมตตา วจกรการมเมตตมโนโกรรมที่จะว่าต่อไปนี่นะเพราะเมตตาเนี่ยเป็นชั้นของกุศ ล, ลจิตเป็นสภาพจิตที่เป็นกุศลแต่ขับเน้นมาทางด้านของกายกรรมคือการเคลื่อนไหวกายทั้งหลายอันนี้เป็นการอบรมเนียนะอบรมขัดเกาวายกรรมนั้นให้เข้าถึงความหมดจดเพื่อจะได้เป็นปรทัดฐานแก่การที่จะประพฤติปฏิบัติและขัดเกาาได้อย่างชัดเจนขึ้น อย่างนั้นเขาเรียกว่าเมตตากายกรรมส่วนเมตตาวจีกรรมก็คือตั้งเมตตาวาจีกรรมในเพื่อนพมอาจา ร, รย์ทั้งต่อหน้าและรับหลังช่วยบอกสิ่งที่เป็นประโยชน์สั่งสอนแนะนําตักเตือนด้วยความหวังดีอันนี้กล่าววาจาสุภาพแสดงความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและรับหลังอันนี้เมตตาเป็นปัจจัยแต่การขับเน้นออกมาทางวจีกกรรมเกี่ยกับพูดประการที่สมก็เรียกว่าเมตตามนโนกรรม ตั้งเมตตามนโนกรรมก็คือคิดเน่ในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและรับหลังตั้งความปรารถนาดีคิดทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่การมองกันในแง่ดีอันนี้บ่งบอกถึงหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันเลยกันอันนี้ขับเน้นที่ใจใจยิ้มและหน้าตายิ้มให้สังเกตว่านักปฏิบัติเนี่ยไม่ยช่เครียดถ้านักปฏิบัติเนี่ยเคร่งเครียด อันนั้นให้รู้เลยว่าเราหลงทางแล้วผิดแน่นอนธรรมชาติของกุศลจิตนั้นต้องไม่เครียดถ้ายิ่งซึมเศร้าเหงาหงอยเศร้าซ้อยงอกง่วงอันนี้ไปแล้วเนะอันนี้ทั้งบาปอากุศลธรรมลามกแรกเรียบร้อยไปแล้วฉะนั้นลักษณะของเมตตามโนกรรมเนี่ยแสดงออกทางใจแต่ว่าบ่งบอกออกมาทางสีหน้า คือมีความสุขต่อการต่อการที่คิดในเรื่องต่างๆประการที่สี่เขาเรียกสาธารณโพคีเนี่ยหรือสาธารณโภคีตาท่านก็เรียกได้ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก็แบ่งปันเงินเห็นไม้มอันนี้แบ่งปันแบ่งปันเนี่ยเป็นชื่อของอะไรทานในกุศลเป็นชื่อของจาระเป็นชื่ อ, องการสละถ้าสละเนี่ยเป็นเรื่องของจิตที่คิดจะให้จิตที่คิดจะให้ จิตที่คิดจกสละแต่จิตที่คิดจะให้เนะี่ยท่านขับเน้นตัวเงื่อนไขของจิตด้วยนะให้แบบโลภะก็ได้ให้แบบโทสะก็ได้ให้แบบโมหะก็ได้เพราะการให้แบบโลภะเนี่ยปราถนาให้เขารักเราเราบริการเขาดูแลเขาเนี่ยเมื่อทำอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วมันจะได้สิ่งตอบแทน มันจะได้เกียรติยศได้ชื่อเสียงได้หน้าตาได้รับการยอมรักได้ได้รับการเชื่อถือการให้ลักษณะนี้ไม่เรียกว่าสาธาโภคิตาไม่เรียกเพราะเป็นการขับเน้นที่ให้ทางกายแต่ใจนั้นเป็นอกุศลฉะนั้นการให้จริงๆท่านขับเน้นตัวไหนตัวจิตที่คิดจะให้ที่เป็นไปกับกุศ ล, ลจิตแล้วเมื่อคิดจะให้ที่เป็นไปกับกุศ ล, ลจิตแล้วเนี่ย จิตนั้นต้องตัดสภาวะของโลภได้ด้วยถ้าให้แล้วตัดความโลภไม่ได้การให้นั้นไม่เรียกว่าสาธารณะโผกีการให้เป็นการตัดความโลภได้เพราะอะไรเพราะสัตว์ทั้งหลายยึดติดหมดเลยเราท่านทั้งหลายมองไปรอบๆตัวเราเนี่ยเราเห็นดอกไม้งามๆเราก็พอใจเลย เราไม่เคยมีจิตคิดจะให้ดอกไม้ให้เลยนะเราเห็นสถานที่ดีๆแล้วก็ยึดติดแล้วเราไม่เคยจักสละเลยนะเราได้ที่อยู่อาศัยแล้วก็ยึดติดเราได้เครื่องนึ่งห่มแล้วก็ยึดติดเราได้อาหารบริโภคแล้วก็ยึดติดเราได้ยาดีๆยาบำรุงที่ดีอ่ะร่างกายเราก็ยึดติดสัตว์ทั้งหลายติดแต่ที่เราให้นั้น เราแบ่งนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ดีที่สุดเราห่วงไว้อันนี้บง่งบอกถึงสภาพจิตของสัตว์ทั้งหลายไม่มีจาระคาไม่มีสาธารณะไม่มีการแบ่งปันไม่มีการสละไม่มีการให้อันนี้คุณธรรมจะขึ้นยังไงเพราะธรรมชาติของการปฏิบัติธรรมเพื่อทาลายตัวนี้นี่เราแยกไม่ออก เราไม่เคยเห็นว่าสิ่งภายนอกทั้งหลายซึ่งเป็นวัตถุทานได้หมดเลยเราเคยมองไหมไปที่นาฬิกามองไปที่บ้านมองไปที่พื้นสิ่งของต่างๆเราเคยมองไหมว่าวัตถุเหล่านี้เป็นสิ่งควรให้หมดเลยอะเป็นควรให้ควรสละควรบริจาคไม่ควรยึดติดเราเคยคิดได้แบบนั้นไหมล่ะถ้าคิดอย่างนั้นนะกุศลทานนะกุศลมันจเจริญขึ้นนะ มันจเจริญขึ้นนั่นไงคือการการเพิ่มพูนกุศลในใจนี่แหละจะเป็นปัจจัยับการพ้นทุกข์ทำไมพระศ า, าสดาจึงสอนจาคะคือการสละคือการสำรอกความยึดติดความหวงแหนตรงนี้แล้วสละอย่างนี้ไม่ใช่ไม่มีผลนะมีด้วยนะถ้าเราดูในชั้นของทานเนี่ยเราจะเห็นชาติซึ่งต่อไปจะวิจัยแล้วจะให้ปฏิบัติขัดเกลากันยังไงด้วยแล้วต้องทาทุกวันด้วยเนี่ยนะ พระออกรับบิณฑบาตแล้วเราก็ทำยังไงสละยังไงแต่ไม่ใช่พระต้องการมาเอาเนะไม่เลยออกจากเนี้ยเราท่านทั้งหลายจะไปสละยังไงเนี่ยเราจะแนะนำวิธีสละยังไงที่มีผลมากมีอานิสงส์มากด้วยซ้าพระต้องการให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยขัดเกลาพื้นฐานของกุศลให้แข็งแรงซึ่งเราไม่ต้องการไม่ต้องการแม้ปัจจัยเพียงสืงเดียว ไม่ต้องการเลยเพราะพระไม่เอาพระไม่ต้องการแต่พระต้องการให้เราท่านทั้งหลายรู้จักสละที่มันเป็นการสละที่ถูกต้องแล้วที่มีผลที่ไพ่บูรณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราสละผิดพลาดแน่นอนผลมันจึงมันถึงเป็นแบบนี้ไงจึงไม่มีผลมากยังไม่มีอานิสงส์มากทั้งๆ ท, ที่ผลปรากฏของทานกุสลเนี่ย ท่านใช้คำว่าภาวะวิภวะสัมปติอุปปัจจุปฐานนะมีความสมบูรณ์แห่งพบชาติคือตาหูจมูกลิ้นกายใจสมบูรณ์เนี่ยแล้วก็วัตถุภายนอกที่จะมาเกื้อกูลต่อตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สมบูรณ์เอันนี้คือคือผลของทานนะผลของการสละนะอันนี้บ่งบอกให้เห็นชัดว่าในอดีตที่ผ่านมาเราพลาดข้อหนึ่งแล้วพลาดข้อนี้แน่นอน พลาดข้อทานแน่นอนเราจึงไม่ได้ความสมบูรณ์ของตาหูอยู่ลิ้นกายใจและจึงไม่ได้ความสมบูรณ์แห่งวัตถุภายนอกที่บริบูรณ์ทุกอย่างเพราะอะไรเพราะผลของทานนกุศลนั้นไม่ไม่บริบูรณ์พอเหตุที่ผลของทานนกุศลไม่บริบูรณ์พอนั้นเพราะเราไม่เข้าใจบริบทของทานกกุศลในชัดการปฏิบัติในข้อนี้ของเราพลาด พอพลาดเห็นไหมว่าภาวะกับคำอวิภาวะสัมปะตะสัมปตินี่ปัจจุบัานนมีความสิ้นพบด้วยสิ้นพบก็คือสิ้นตาหูจมูกเล่นกายใจด้วยสิ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นอาการปรากฏของทานกุศลถ้าเราดูจากชั้นคำสอนของภาษาสดาจะเห็นจาคานุสติ ที่พระศาสดาทรงบอกไว้บอกว่าทําอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหนายโดยส่วนเดียวย่อมเป็นไปเพื่อความดับโดยส่วนเดียวไหมย่อมเป็นไปเพื่อการสํารอกเป็นต้นเป็นไปตามลําดับเลยและสุดท้ายก็คือย่อมเป็นไปเพื่ออนุปาทานบริณีฐานทำทำอย่างหนึ่งนั่นคือจาขานุสติ แล้วอันนี้อะไรเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลยนะว่าเจริญจารานุสติแล้วบรรลุได้แต่ในครั้งพุทธการเอาจารานุสติมาเดินแล้วเขาบรรลุกันเป็นแถวเป็นแถวอันนี้เป็นเพราะอะไรเนี่ยเพราะเราถูกครอบงำไงเราถูกครอบงําด้วยวิธีการคําสอนที่มีการมาบล็อกจุดเล็กๆเขาไว้เนไม่มีการกระจายจุดคําสอนของภาษาสดาให้กว้างที่หเหมาะสมกับทายาสายัยเราใช่ไหมนั่นคือจุด จุดผิดพลาดที่เกิดขึ้นในสภาพสังคมของชาวพุทธที่องค์แห่งความรู้ไม่แข็งแรงเพราะองค์แห่งความรู้ไม่แข็งแรงข้อปฏิบัติก็ไม่รู้จะทำยังไงพอจะมองเห็นตรงนี้นะทีนี้พอมองในลักษณะอย่างนี้ท่านถึงใช้คาว่าสาธารณาโภคีนี่นะแต่มาจะไม่ขับเน้นในรายละเอียดค่อนข้างเยอะก่อนแต่ต้องการมองให้ภาพให้กว้างว่าจริงๆก็คือว่า ทานมีการสละคือการให้นั้นเป็นลักษณะกิจของทานนกุศลก็คือทําลายโลภะผลปรากฏหรืออาการปรากฏของทานนกุศลก็คือว่าทําความสมบูรณ์แห่งพบและความสิ้นไปจากวัตตนนั้นเป็นอาการปรากฏถ้ามองดูประทัดฐานของทานอากุศลเป็นต้นเหล่านี้ก็คือศัตยญาปทัดฐานหนังมีศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใส ความผ่องใสของจิตใจนั้นเนี่ยที่เชื่อต่อคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถามว่าพระศาสดาถ้าไม่มีทานบา ร, รมีข้อแรกพระุทธเจ้าจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมไม่ได้เลยภาษารีบุตรพระโมคคัลลานะถ้าไม่มีทานบา ร, รมีเป็นต้นบรรลุไม่ได้เหมือนกันรู้ไหมภาษารีบุตรท่านให้อะไรท่านถึงได้บรรลุท่านสมัยพระโนมทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าภาษารีบุตรท่านให้ท่านเอาฉัดเนี่ย เอาดอกไม้มาทำฉัดกั้นถวายเป็นพุทธบูชานั่นแะทานากุศลของท่านแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโนโมทัสีสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยืนกั้นฉัดให้พระศาสดาอยู่เจ็ดวันถ้ามองนี้จะเห็นชัดเลยว่านี่ไงทานากุศลของท่านนะเป็นอุปนิสยปปจจัจแกสโนน่นอะอัคคราสาวกบา ร, รมียานนี่ไง และผลจากการที่ท่านมีปัญญามากเพราะท่านชื่นชมพยานของพระศาสดาชื่นชมอนาวรณนานาณชื่นชมสัตว์ัพพัญยุตยานอินทรียโปรโปริยติยานอาศยานุสยาญาณยมกปาทิหาริยญานมหากรุณาสมาปัฏิยานเป็นต้นของพระศาสดาผู้เสรศิฐฉะนั้นผลอย่างการที่บูชาพระเจ้าด้วยของหอมเป็นทานบารมีเป็นต้นเหล่านั้น แล้วต่อมาท่านก็มีการบางภพชาติก็สร้างวัตรไรบิดกถวายแด่พระศาสดาเป็นต้นถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าบุคคลทั้งหลายที่เขาพ้นทุกข์เนี่ยเขาเดินทางในกุศลก็แข็งแรงกันดังนั้นเลยคําว่าแข็งแรงเนี่ยคือความเข้าใจนะความเข้าใจก็บริบูรณ์แต่ดูเห็นไหมท่านใช้ดอกไม้แต่ท่านตั้งความเพียรในการบูชาค่อนข้างสูงมาก แล้วการบูชาของท่านน่ยไม่ใช่บูชาท่านมีวิจัยยธานังท่านวิจัยตัวเจตนาทานชัดที่เป็นไปกกุศลหรือไม่เป็นคือท่านสามารถจะขับเน้นได้ว่าเราจะให้กุศลโสมนัตนะิญาณสัมยุตติอสังคาริเกิดขึ้นจากการปราลบทานอกุศลท่านก็ขับเน้นได้ถ้าอย่างเราเนี่ยไม่รู้เลยนะให้ทานแต่ละครั้งเนี่ยเราจะใช้จิตประเภทไหนให้เป็นโสมนัตหรือไม่เป็นอสังคาริหรือไม่ ประกอบด้วยปัญญาไหมแล้วก็เกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยกระตุ้นเตือนหรือไม่แข็งแรงอย่างดีมีความมุ่งมั่นอย่างสูงแล้วเป็นไปอย่างต่อเนื่องโยมที่นั่งอยู่นี้นะถ้าใครสามารถเดินกุศลจิตได้เจ็วั น, นไม่ให้อากุศลแทรกได้นะบรรลุภายในเจ็ดวันก็บรรลุได้แต่ทำได้ไหมละ่ะยี่นั่งเนยทได้ไมละ่ะ ไม่ให้บาปแทรกเลยสักขนาดจิตเลยนะให้กุศลเกิดขึ้นอย่างติดต่อในเะจ็ดวันโยมก็บรรลุได้ภายในเจ็ดวันเนี่แคือข้อมูลตรงนี้เรามันไม่นีี่ทไม่ถึงเราถึงทำไม่ได้ไงถ้าไม่มีข้อมูลเนี่ยให้โยมนั่งหลับตาเจ็วันโยมก็ไม่บรรลุเพราะตอนนั้นบาปก็แทรกเป็นระยะระยะโยมแยกไม่เป็นเลยอ่ะเหมือนตอนเนี้มันนั่งบางคนรรรงสงบเงี่ยสมมุตินะนั่นจะเป็นกุศลเกิดยังไง แล้วเมื่อกุศลไม่เกิดนี่ปริมาณเม็ดของกุศลไม่แข็งแรงพอแล้วจะเกื้อกูลต่อการแทงตลอดสัจจะยังไงนั้นอย่าแปลกใจนะว่าทําไมจึงไม่ได้แทงตลอดสัจจะเพราะเราไม่สามารถจะทําให้กุศลเดินได้ตลอดแนวตลอดสายได้ครบเจ็ดวันใช่ไหมคนบางคนก็ถึงเจ็วันบรรลุเจ็ดเดือนบรรลุเจ็ดปีบรรลุได้นั่นคือความแข็งแรงคือข้อมูลคือความเข้าใจ เหมือนการเดินทางที่มาเนี่ยสังเกตดูไหมว่าใครศึกษาเส้นทางดีไม่หลงนะเอาสิแต่ศึกษาไม่ดีเนะี่ยถามมาตลอดทางหลงซ้ายหลงขวาบอกแล้วก็หลงบอกซ้ายก็หลงบอกขวาก็หลงเจอแผนที่แบบงงๆก็เอกนี่ยิ่งไปใหญ่เลยทีเนี้ยวิ่งซ้ายวิ่งขวาเลยทีเนี้ยน่ะเข้านะเข้าหลงไปหลงมาบอกก็อ๊ใครเขียนแผนที่อยากดูหน้าจังเลยเนี่ยไปไปมาๆก็เอาอยากจะดูคนเขียนแผนที่น่อ แม้เขียนได้ดีจริงๆทาให้คนหลงได้ดีเหลือเกินเนี่ยเนี่ยยังไงต้องชื่นชมความสามารถในการเขียนในหลงได้เนี่ยเนอย่างนี้เป็นต้นถามบอกว่าทางที่จะไปสู่พระนิพพานเนี่ยแล้วหลงมากกว่านี้เยอะอันนี้บ่งบอกใช่ไหมระยะทางไม่กี่กิโลเนี่ยเนี่ยไม่กี่ร้อยกิโลเนี่ยแล้หลงขนาดนี้แล้วมัชฌิมาปฏิปทานเนี่ยเราปฏิติดปฏ่อไม่ได้มานานแล้ว นั่สัตว์ทั้งหลายถึงหัวที่หัวตําในสังสารวัฏใช่ไหมก็ก็เจ็บปวดกันมาอย่างเนี้ยต่นี้เรามานั่งตั้งหลักกันอีกครั้งมาตั้งหลักแบบไหนบอกว่าต่อไปเนี้ยตั้งแต่เก้าวต่อไปวินาทีเนี้ยขอไม่หลงได้ไหมใจก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมแต่อยู่ตรงไหนแต่เนี้ยอยู่ตรงข้อมูลเส้นทางเนี่ยก็อยู่ตรงข้อมู ล, มลชัดหรือไม่ชัด ถ้าได้ข้อมูลชัดเส้นทางชัดสภาพรถไม่ดีไปได้ไหมทีนี้สภาพรถ ด, ดีคนขับไม่พร้อมเอาไม่ได้อีกก็เนี้ยมันมีปัจจัยอย่างเงี้ยปัจจัยอย่างเงี้นะที่จะเกื้อนหนุนทีนี้ก็มาดูตนเองก็ตอนเนี้ยข้อมูลชัดไหมสภาพรถ ก็หมายความว่าชัดไหมก็แปลว่าถ้าพูดถึงสภาพรถก็คือสภาพร่างกายทั้งหลายเราเนี่ยสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหลายถูกจัดตัวเป็นสภาพรถแล้วกําลังใจของผู้ขับก็คือจิตใจอะ่ะแข็งแรงไหมกล้าไหมฉันทิศที่บาดแข็งแรงไหมกล้าตายไหมท่านจะไม่บรรลกล้าไหมถ้าไม่ได้บรลุนะ่ยตายยังดีกว่าเนี่ยกล้าขนาดนั้นไหม หรือวิริยติบาทเนี่ยเพียนถึงขนาดมหาบุรุษท่านเพี้ยนไหมเลือดและเนื้อจงเหือดแห้งไปเถอะจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกใช่ไหมองค์เสีรเลือดเนื้อหายไปมันจะหมดเท่าไหร่ช่างมันจะผอมขนาดไหนก็ช่างให้หายไปเอถอะทั้งเลือดและเนื้อในสรีระเนี่ยนะให้หมดปะจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามที ทำไมได้บรรลุแล้วไม่หยุดความเพียนยตั้งขนาดนั้นไหมอข้อสองไม่ได้อาจิตติธิบาทมุ่งมั่นแข็งแรงไหมจดจ่อตลอดเวลาไหมว่าคือสิ่งที่ประทับใจเราที่สุดคืออนุปาทาบรินิพานเรื่องอื่นเป็นเรื่องลองแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการพ้นทุกนิตาลุกขนลุกเลยจะทำไม่ได้ไม่ยอมเลิกไม่ยอมละ จดจ่ออยู่ตลอดเวลาเป็นขนาดนั้นไหมหรือไม่เป็นคือเป็นอารมนาทิปดีเป็นอารมณูปนิสยาเลยเป็นอารมณ์ที่เป็นที่อาศัยเป็นที่พอใจเป็นที่หนักหน่วงอย่างมากเลยคือประทับใจแรงมากถ้าใครคุยเรื่องอื่นแทบบอกไม่แ ม, ม่ขอคุยเรื่องพระนิพพานการพ้นทุกข์เท่านั้นนี่จำไว้นะถ้าเจอหน้าเราเนี่ยเรื่องอื่นไม่คุยนะ เราจะคุยเรื่องไปพันที่พันตอนนั้นแข็งแรงขนาดนั้นไหมถ้าอย่างนี้ใช่ถ้าเป็นอย่างนี้ใช่เลยและอย่างก็คือวิมังสาแปลว่าข้อมูลแข็งแรงมากสามารถเข้าใจและย่นระย ะ, ระยะเวลาก็ได้เพราะมีความเข้าใจสูงละสุดยิ่งจะได้กลุ่มสี่กลุ่มนี้ได้แล้วก็ดูตรงนี้เราขาดอะไรเนี่ยขาดคุณเครื่องห็นความสาเร็จจริง ใช่ไหมแต่เรามองตรงนี้เราเริ่มจะเริ่มจะเห็นตัวเองแล้วว่าเราอ่อนแอตดยไหนแล้วพอจะฮึดมันฮึดได้เป็นพักๆใช่ไหมทําท่าจะได้เป็นพักๆ พ, พอหนักเข้าหนักเข้าก็เริ่มยุบเหี่ยวลงเหี่ยวลงวอร์ทเมที่ทําท่ทททาพอได้แรงหนุนก็มาหน่อยก็ทําท่าฮึดๆึขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ปีหนึง่งบางทีฮึดอยู่ครั้งเดียวเองเนี่ยอันนั้นคือปัญหาจริงๆขนาด มาแต่ละครั้งยังมีเงื่อนไขยเยอะนะเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงห้องที่พักอะไรอีกเยอะหมดใช่ไหมนี่ไงแทนที่เราจะขับเน้นที่การพ้นทุกข์แต่เราขับเน้นว่าไปแล้วโลภะเราจะชอบใจไหมเนี่ยถ้าโลภะไม่ชอบใจเรางอนเราไม่อยู่นะเพราะอะไไงต้องให้โลภะเรา เราเราเราถูกใจใช่ไหมยังให้โทสะเรามาออกฤทธิ์ออกเดชเนยะถ้าอย่างนั้นเกิดเราไม่ไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยพังหมดเนะีอะไรเงี้ยเห็นไหมที่สุดจริงๆเรามาเพื่อจะละโลภะหรือจะเพิ่มเขาก็ไปดูสังเกต ด, ดูฉะนั้นการอยู่ตรงนี้ถึงขับเน้นเรื่องสารานิยธรรมไงเราต้องได้สิ่งที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างแน่นอน แต่เราขับเน้นองความรู้และข้อปฏิบัติการขัดเกลาที่ชัดเจนนะที่เรามามาครั้งนี้เราขับเน้นการการขัดเกลารการปฏิบัติที่ชัดเจนขัดเกลาทัทางด้านคือต่อไปจะสรุปประเด็นให้ดูนะว่าพูดอย่างนี้ทานในากุศลนะเพื่อทำลายโลภะสรุปมันจะมามามุมนี้เลยทา น, นากุศลที่เราขับเน้นนะการสละการบริจากทั้งหลายเนี่ยเพื่อเพื่อทลายโลภะ ศีลกุศลนั่นเพื่อทำลายโทสะส่วนภาวนากุศลเพื่อทำลายโมหะไอ้สามตัวเนี่ยมันจะถูกทำลายไม่ได้ถ้าเราขาดทานศีลภาวนาเราขับเน้นตัวนี้ให้ชัดซึ่งซึ่ ง, ซ, งซึ่งน่าเป็นห่วงตอนนี้ก็คือว่าจะเอาองค์ความรู้ใส่ในเราให้ให้พอแล้วจะรีบขับเน้นเดินให้ปฏิบัติได้ครบวงจรยังไงตัวเนี้ยเอามา กลัวประเด็นเดียวเท่านั้นเองขอให้รับให้เร็วที่สุดแล้วการขับเคลื่อนเป็นไปยังในขณะ น, นี้ด้วยประเด็นมันอยู่ตรงนั้นซึ่งซึ่งถ้ามันอัดข้อมูลได้อย่างคอมพิวเตอร์ใช่ไหมหรืออย่างเครื่องอัดทั้งหลายเนี่ยมันก็ชัดที่เข้ามาก็อัดอัดเข้าไปได้เลยใช่ไหมอันไหนที่มันไม่ดีแล้วก็รีเลท ล, ลบปะลบปะลบทิ้งว่าอันไหนที่มันจํามาผิดหรือเข้าใจมาผิดก็ลบข้อมูลได้นี่มันทําไม่ได้เลย อาทยาสายบางท่า น, นเสพสิ่งที่ไม่ถูกมาตั้งเยอะแล้วเจะทํำยัำยงไงแต่เนี้ยก็ต้องมาเอาเหตุผลกันมาอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ว่ากันแล้วนี่เป็นอย่างเงี้ยฉะนั้นคนที่มีโอกาสใกล้ชิดสัตร์บุรุษทั้งหลายก็ได้เปรียบก็ได้เปรียบฉะนั้นถ้าพูดถึงทานกุศลเนี่ยมาถึงวันหลายๆท่านกลัวว่าเอ๊ะทาไมขับเน้นทาไม เดี๋ยวมาจะปูผมให้ดูไว้ก่อนนะแล้วในเจาะรายละเอียดนั้นเดี๋ยวก็จะจ ะ, จะรู้และโยมจะเห็นเลยว่าโทษแห่งการที่เราเข้าใจทันจากานุสติผิดพลาดมานานแล้วพอเข้าใจผิดพลาดเนี่ยเราเดินไม่ได้เพราเดินไม่ได้สภาพของโลภะไม่ถูกกระชากไปจากความคิดจริงๆเมื่อามาที่พยายามชี้แจงให้เราท่านทั้งหลายได้ไดไดทําความเข้าใจคือว่าทุกอย่างที่เราเห็นทุกอย่างที่เราได้ยินนั้นที่ไม่เกี่ยว ที่โลภะจะไม่เกิดแทบไม่มีเลยอันนั้นแปลว่าจิตที่น้อมสละน้อมบริจาคเราน้อยมากไม่แข็งแรงเลยถ้าเราเห็นสภาพดอกไม้ในสวนที่สวยงามเนี่ยนะหรือบรรยากาศที่น่าลื่นลมเนี่ยมีใครบ้างที่โลภะไม่กินเห็นไหมสภาพของโลภะกินแล้วแล้ ว, ล ว, ล ว, ลวตรงไหนคือจาคะแล้วตรงไหนคือการปฏิบัติ เพราะเราไม่แต่ถ้าเราลองมาน้อมอย่างนี้ดูนะว่าของทุกชิ้นที่อยู่ในบริเวณสวนนี่น้อมสละถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระเจ้าสมมติอย่างนี้เนี่ยน้อมจิตอย่างนี้ถ้าวันนี้เราจะมาเกิดพอใจเกิดพอใจนะเอาสิเราเอาสมบัติเราไปยินดีสมบัติของพระเจ้าใจเราถอยไหมเราพักถอยออกไหม เราะถอยทันทีไม่กล้าและกลัวบาปแล้วนี่โทษของการไม่ให้นี่โทษของการไม่สละเอามาไปหลายที่อามาขับเน้นมาตั้งหลายครั้งว่าพื้นแผ่นดินใบเนี้ใช่ไหมคนมีปัญญาเขาสละถวายเป็นพุทธบูชาแล้วเราต่างหากมาออกชนโถดทับแล้วเป็นที่เราเนี่ยแล้วยึดติดด้วยตัณหาแล้วแย่งกันด้วยนะ คุณสมบัติเหล่านี้ใครก็อยากได้ใช่ไหมจริงอยู่เราครอบครองไม่เป็นไรแต่ทำในเชิงของการถวายบูชาได้ไหมตัณหาจะได้ไม่ฉาบติดยอมก็เห็นนี่กบเขียดเอ้ยงูเอ้ยมแมลงป่องเอ้ยตะขาบเอ้ยใช่ไหมจริงจกตุกแกเอ้ยนกเอ่ยหนูเอยเนี่ยวิ่งเพ่นพ่านเนี่ยถ้ามันพูดได้มันจะบอกว่าที่นี่เป็นของมันนะนี่คือตัณหาไงนี่คือโทษของสังสารวัฏ นี่ไงไม่มีจาคาเห็นไหมยังโทษของการไม่เห็นจาคาเนี่ยมันเจ็บปวดกันทั้งนั้นแหละท้ายึดติดจีวนยังเป็นเลนเฝ้ายีวรได้ก็ยอมไปนั่งนึกดูว่าที่กรณีที่ตัณหาเราไปยึดติดสิ่งของต่างๆแล้วเนี่ยว่านั้นเราได้ผูกปฏิสนธิไว้กี่กี่ขนาดแล้วกรรมที่ทำกันไว้เนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดทั้งนั้นที่แรกเรานึกว่าจะไม่ได้ไม่ไม่ใช่นะถ้ายมเนี่ย ใจขาดในขณะที่มีพื้นแผ่นดินตรงนี้เป็นอารมณ์ยมคิดว่ายมจะเกิดเป็นอะไรเอาสมมุติตอนนี้กําลังฟังธรรมเนี่ยนะเห็นดอกไม้ปุ๊บสวยงามแล้วเกิดตัณหายินดีเพลิดเพลินปุ๊บเกิดเนี่ยแล้วก็มรณะจิตเกิดขึ้นจิตติจิตเกิดขึ้นคิดว่ายมจะเป็นอะไรดีเนี่ยยอมจะต้องอยู่แถวนี้แล้วแถวนี้เราจะเข้าสู่ครันใครเนี่ยไม่มีใครเลยเนี่ยมีเหตุปัจจัยตรงนี้เลย แต่กบเขียดเนี่ยกาลังตั้งคันกันเป็นแถวนี่อย่าลืมนะแถวเนี้ยกําลังพร้อมมูลที่จะให้เราถือปฏิสนธิได้หมดนะเห็นไหมจากผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเหาเหินเดินบนอากาศก็ได้ไปเครื่องบินก็ได้แต่เราพ้นปรากฏไม่มีใครต้อนรับเราเนี่ยเรากลับต้องไปสี่ขาโดดไปเนี่ยเขาจะเอาไปไหมก็โดดลงหม้อเลยแถวนี้ใช่ไหมคนก็จ้องจะกินจะทำลายสารพัดนี่ไงคือสังสารวัตร เห็นโทษในโทษของการไม่สละไหมโทษของโลภะหรื อ, อยังเนี่ยเนี่ยเห็นทานกุศลไม่แข็งแรงเป็นแบบนี้คนมีบุญทั้งหลายเนี่ยเขาระวังมากรู้ไหมเวลาเขามองเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาร้อนลนมากเขาจึงไม่เพลิดเพลินในอารมณ์เป็นนิจตั้ง่งความเพลิดเพลินเลยเขาจึงไม่กำหนัดนี่ในอารมณ์เป็นนิจตั้งความกำหนัดเลยเพราะเขาเห็นโทษของโลภะเพราะโลภะนําเขาปฏิสนธิได้ในที่ทุกแห่งนี่ไงนักปฏิบัติต้องมองได้อย่างนั้น ถ้ามองไม่ได้อย่างเนี้ยสภาพของโลวพะจะไม่ถูกตัดตอนเลยฉะนั้นมาอยู่ตรงเนี้ยการสํารวมอินทรีย์การมองการระวังใจจึงเป็นเรื่องที่ต้องต้องกระทําทีนี้ใจที่น้อมสละมันจึงเป็นเหตุแห่งการทําลายความโลภแห่งการทําลายความโลภทีนี้การสละการน้อมในลักษณะเงี้ยเมื่อเป็นเหตุแห่งการทําลายความโลภเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะมันจะขัดเกลากันไหมที่ท่านใช้คําว่า ฝึกจิตที่ยังไม่ได้ฝึกเป็นทานากุศลการไม่ให้นะเชื่อประทุษสลาจิตที่ฝึกแล้วถ้าโยมเห็นนาฬิกาที่แฝนแต่โยมไม่สละในใจนะถ้ายมไม่สละในใจนะว่าเราน้อมน้อมสละน้อมให้ไวนะน้นนะยอมเห็นปับ๊บยอมจะหวงแล้วรักแล้ยินดีดันดี นั่นแหะจิตที่ฝึกมาแล้วถูกประทุสลายทันทีถูกประทุสล้ายด้วยโลภะไงโลภะมาประทุสล้ายเรียบร้อยแล้วที่ฝึกมาดีๆก็พังลงอีกแล้วยิงไหมเริ่มต้นใหม่อีกเราต้องมาเขียนเลขศูนย์กันแล้วแล้วเราเล่าขึ้นเลขหนึ่งไม่ได้ทุกทีเข้าใจยังเดี๋ยวนี้ยเนี่ยการไม่สละการไม่ให้การไม่คิดให้เป็นนี่แหละจึงเป็นเหตุแห่งการประทุษร้ายจิตที่ฝึกแล้ว นี่เห็นโทษของทานกูเห็นโทษของการไม่มีทานกุศ่นี่ยังฉะนั้นสิ่งของต่างๆเหล่านี้คนที่น้อมสละและน้อมให้เนี่ยจึงจึงได้เปรียบต่อการขัดเกลาย่างสูงเลยเขาถึงบอกว่าเดี๋ยวต่อไปอันนี้เอามาพูดเพื่อเป็นคร่าวๆให้ดูในเรื่องของทานแต่ถ้าไปดูเรื่องอันนี้สงอะไรเราจะเห็นชัดเจนอีกเยอะ